ยืนยันเทวดาอินพรหมเปรตผีสัตว์นรกมีจริงคนตาบอดไม่เชื่อคนตาดีย่อมมีทางตกหลุมตกบ่อดได้ฉันใดผู้มีใจมืดบอดด้วยกิเลส ต, ตัณหา ไม่เชื่อตาใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านย่อมนำความล่มจมมาสู่ตนได้ฉั น, นั้นเหมือนกันท่านแสดงไว้ว่าความล่มจมจะมีแก่ผู้ไม่เชื่อนั้นแหลนี่เรียกว่าสวาขาตธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วนี้ประมวลเข้ามาเรายอมรับทุกประเภทที่พระองค์ทรงแสดงไว้ ตั้งแต่บาปแต่บุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเทวบุตรเทวดาเปรตผีมีเรายอมรับร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่ขณะที่กิเลสเปิดจากใจเท่านั้นสว่างจ้าขึ้นมาหมดไม่เคยคาดเคยคิดเคยรู้เคยเห็นว่าจะรู้จะเห็นก็เป็นขึ้นมาแบบอัศจรรย์ จึงได้อัศจรรย์ตัวเองว่าเรารู้ได้อย่างไงเห็นได้อย่างไรจิตดวงนี้แลตั้งแต่กิเลสครอบงำอยู่มันก็เหมือนคนตาบอดอะไรจะมีอยู่มากน้อยเพียงไรมันไม่เห็นสีแสงวัตถุต่างๆมองไม่เห็นแต่โดนเอาโดนเอานี่จิตที่มืดบอดก็เหมือนกัน มีแต่โดนความทุกข์ความทรมานโดนบาปโดนกรรมเรื่อยมาแล้วคันบำเพ็ญมาบำเพ็ญมาก็ค่อยหูแจ้งตาสว่างออกไปออกไปสุดท้ายเปิดโล่งหมดทั่วแดนโลกธาตุสว่างจ้าครอบโลกธาตุเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองรู้ได้อย่างไรเห็นได้อย่างไร สิ่งที่ไม่เคยคาดเคยคิดเคยรู้เคยเห็นก็เห็นก็เป็นขึ้นมาประยักใจเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าตาเรามันหลับด้วยกิเลสปิดบังเท่านั้นพอเปิดตาคือกิเลสออกจากใจแล้วสว่างจ้าขึ้นมาก็ยอมรับกราพระพุทธเจ้าอย่างราบตั้งแต่นั้นมา จนกระทั่งบัดนี้จิตวิญญาณมีจริงเหตุนี้เองทำให้ท่านยืนยัน เรื่องจิตวิญญาณว่าเป็นของมีจริงดังนี้จิตดวงนี้ไม่เคยตายไม่เคยสิบหายแต่ไหนแต่ไรมาถ้าพูดเรื่องวัตถุต่างๆในแดนโลกกธาดนี้ว่าอันไหนมากกว่าอะไรไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกเต็มท้องฟ้ามหาสมุทร ใต้ดินเหนือดินมีเต็มไปหมดอันนี้มากที่สุดคือจิตวิญญาณของสัตว์โลกเพราะมันไม่เคยศูนนั่นเองมันเต็มอยู่นี่ครองพบครองชาติอยู่ทุกแห่งทุกหนตามเพศตามภูมิอย่างที่เราเป็นมนุษย์ก็เห็นกันอยู่ไม่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ก็เห็นกันอยู่อย่างนั้น เป็นไก่เป็ดนกปลาเป็นอะไรเราก็เห็นกันอยู่อย่างนั้นที่ละเอียดกว่านั้นมันก็มีอยู่อย่างเดียวกันนี้ไม่ได้ผิดกันมันมีอยู่ตามสภาพของตนของตนเป็นแต่เพียงว่าเราสามารถสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองนั่นก็เป็นอย่างนั้นละ่ะ มันมีพบละเอียดหยาบหยาบต่างกันอย่างพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมผู้เปรตพวกผีก็เหมือนกับเรานี่มีพบมีชาติเป็นกำเนิดที่เกิดของตัวเองด้วยวิบากกรรมดีชั่วเหมือนกันหมดไม่มีใครแตกต่างกันเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทกัน สัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาด้วยกันอย่าตำหนิกันด้วยชาติชั้นวันนะสถานะสูงต่ำอย่าไปตำหนิกัน